ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในตุ ว, วันพุธเป็นช่วงของตายร่มโพธิบทเรามาฝึกทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งตัมบูฟังแล้วจึงค่อยไปฟังหัวข้อแม่บทธรรมะในเรื่องของปฏิจจสมุปบาท วันนี้เราก็มาเจริญธรรมานุสติกันซะก่อนคือการตามระลึกถึงธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้อย่างดีแล้วเป็นธรรมะที่เป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้ผลถูกได้เป็นธรรมะข้อปฏิบัติที่สามารถทำได้จริงควรเชิญผู้อื่นเข้ามาทาเข้ามาพิสูจน์เข้ามาปฏิบัติ รู้เห็นได้ด้วยเฉพาะตนสามารถตรวจสอบได้มีการกำหนดบทประเดนชนะไว้อย่างดีมีความงดงามทั้งในเหตุที่ได้เนื้อหาธรรมะเหล่านี้มาทั้งในตัวคำสอนที่ได้บอกสอนไว้ทั้งในการที่สามารถนำไปปฏิบัติคือในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดได้ ให้คุณกวางพระธรรมทั้งหมดนั้นทฟังมารวมอยู่ในคําว่าธัมโมธัมโมธัมโมแล้วเรานึกถึงคําว่าธัมโมธัมโมธัมโมนี้ไว้ในใจท่องไปเลยธัมโมธัมโมธัมโมวันนี้เราจเจริญธรรมานุสติไม่ได้จเจริญพุทธานุสติหรือสังขานุสติ ไม่ได้นึกพุทธโธหรือไม่ได้นึกสังโครเรานึกถึงธรรมโมธรรมโมธรมโมให้นึกถึงธรรมะอันประผู้มีประภาประกาศไว้อย่างดีใครก็ตามที่เขาจะปฏิบัติในธรรมะไม่ว่าที่ผ่านมาแล้วเริ่มมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าตอนอยังเป็นโพลิสัท จนถึงเหล่าสาวกในสมัยพุทธกาลครูบาอาจารย์ในรุ่นต่อๆมาท่านก็ปฏิบัติตามธรรมโมอย่างนี้แหละตัวเราที่มาปฏิบัติในพระธรรมที่ท่านประกาศไว้ในอยู่ปัจจุบันนี้เราก็ปฏิบัติตามธรรมโมนี้เหมือนกันมานึกถึงระลึกถึงธรรมะนั่นก็เป็นธรรมานุสติความระลึกได้นั้น คือสติคำว่าธรรมโมไม่ใช่สติแต่สติเป็นธรรมอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการที่จิตของเรามาระลึกถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้เปิดในที่นี้เรามาระลึกถึงธรรมะการระลึกได้นั้นก็คือสติสติก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งเราผู้ปฏิบัติธรรมะอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ปฏิบัติตามธรรมะเหมือนกับที่ครูบาอาจารย์ในอดีต ได้ธรรมะเหมือนกันและใครก็ตามที่จะมาทำต่อไปในอนาคตจะเป็นรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานที่เขาจะได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วมาทำปฏิบัติต่อไปเขาก็ต้องปฏิบัติอย่างเนี้ยในธรรมะอันปราผู้มีพระภ้าประกาศไว้แล้วเนี่ยเนี่ยน่ะเหมือนกันจะดีปัจจุบันอนาคต ก็เปนดบัิในธรรมานีเหมือนกันมันถึงไม่ได้ประกอบด้วยการเวลาไงไม่ใช่ว่าเออจะต้องได้เฉพาะอดีตนะปัจจุบันอนาคตไม่ได้แล้วหรือได้เฉพาะปัจจุบันอดีตอนาคตไม่ได้ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันมันเป็นคนละอย่างกันคือได้หมดไงได้หมดอดีตอนาคตปัจจุบันท่านจึงเรียกว่าเป็นอกาลโกไม่ได้ประกอบด้วยการในนยะของอดีตอนาคตปัจจุบัน ไม่ได้ประกอบด้วยการว่าต้องตอนเด็กนะตอนแก่ไม่ได้ก็ไม่ใช่ในยะการเวลาแบบนี้แล้วก็ไม่ได้ประกอบด้วยการตามนนยะที่ว่าทันสมัยหรือล้าสมัยแต่จะบอกว่าไอ้สิ่งนี้ทันสมัยดูวยแรงรูปแบบแฟชั่นไอ้ของที่มันล้าสมัยไปแล้วเออมันกลับมาเ อ, อกลับเป็นทันสมัยได้ไหมอีกก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้ เป็นตามการในทั้งสามนัยยะแต่ไม่เกี่ยวข้องด้วยการนี่คือการปฏิบัติหนะ้าการทำทำแล้วปฏิบัติแล้วทั้งอดีตนาก้ปัจจุบันเวลาได้ผลออกมาผลคือความรู้แจ้งคือปัญญาคือความรู้พร้อมคือญาณคือวิชาในอดีตเขารู้อย่างไหนใดเป็นยังไงมา ปัจจุบันอนาคตก็เหมือนกันพระพุทธเจ้ารู้เห็นธรรมะอันใดเป็นยังไงมาเรื่องผลจากกิเลสอวิชชาดับหายไปเป็นอย่างไรได้เป็นอย่างนั้นเราสาวกในสมัยพุทธกาลก็ได้อย่างนั้นตัวเราที่ทำแล้วก็จะต้องได้ผลอย่างนั้นคนอื่นที่เขาทำต่อไปในอนาคตจะตรัสรู้ตามมาก็ต้องได้ผลอย่างนั้น เหมือนกันไร้ตรองใกล้ครวนึกถึงธัมโมธัมโมธรรมโ ม, รร ม, โมวไว้จิตใจเรามันจะสบายเึ็มวั ง, งสติเราตั้งเอาไว้สมาธิก็จะเกิดขึ้นให้สติเป็นเสาเกินเสาหลักแห่งจิตของเรารักษาจิตของเร า, เาไว้ด้วยสตินึกถึงธัมโมธัมโมไว้เจริญธรร ม, ม, ววรนรร ม, มานุสติ รักษาจิตของเราไว้ด้วยสติให้ดีอาล่ะตัมูฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบ ก, กันไปสักครู่หนึ่งแล้วคราวนี้เราก็มาฟังธรรมะในหัวข้อที่ชื่อว่าปฏ ah ิจจสมุปบาทอย่าเพิ่งเหวอนิมิใชยตอนแรก นี่เป็นเอพิโซดที่8ในซีรีส์นี้ที่ข้าพเจ้าได้อธิบายขยายความทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ตามที่พระพุทธเจ้าท่านด้อธิบายเอาไว้เป็นซีรีส์ที่จบในตัวทมผู้ฟังสามารถที่จะเลือกฟังได้ฟังตอนนี้แล้วกลับไปฟังตอนก่อนๆทาไมเข้าใจเรื่องไหนจุดใด อา๋าทำไมเข้าใจเรื่องอวิชชาก็ไปฟังเฉพาะตรงจุดนั้นทำไมเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องโพชชงได้ยังไงก็ไปฟังตรงจุดนั้นทำไมเข้าใจว่าเอ่อแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับอินรี่ห้าศรัทธา ย, ยังไงก็ไปฟังตรงจุดนั้นจุดนั้นได้การนำหัวข้อธรรมมาอธิบายนั้นพระพุเจ้าจะจัดลงในทุกวันพุธ ช่วงของต้รุ่มโพดิบทซึ่งเป็นหมวดธรรมะตัมบวังเป็นหัวข้อหัวข้อที่เขาแปลว่าแม่บทเป็นแม่เป็นคำสอนคือบทที่ท่านยกขึ้นไว้แล้วก็กระจายออกมาว่าลูกของแม่อันนี้บทนี้มีอะไรบ้างอะไรบ้างเรายกแม่ขึ้น ในที่นี้คือปฏิจจสมุบาตลูกของเขาที่อยู่ในหัวข้อนี้คือความเชื่อมโยงกันอย่างนี้เป็นคู่เป็นคู่ต่อกันต่อกันมันจึงดูเป็นสายมีความเชื่อมโยงไปกับขันทั้งหเกี่ยวเนื่องมาด้วยกันกับบริยสัตย์ทั้งสต่อไปจนถึงมรรคทั้ง8มีรายการและรายละเอียดดังที่ว่าไป จะให้เขาใช้หมดธรรมะอะไรต่างๆแบบนี้ได้ท่านผู้ั ง, งในช่วงของตายร่มบุิบชนนั้นจึงได้ทำการจัดส่วนที่เป็นสมาธิกันสักนิดหน่อยก่อนทาสมาธิกันสักครู่หนึ่งก่อนที่จะเริ่มรายการแล้วก็มาฟังหัวข้อเหล่านี้กันและวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่8ซีรีส์ของปฏิชาสมุปบาทก็จะอธิบายถึง เรื่องที่ปฏิจจสมุปบาทนั้นไปเกี่ยวข้องในหัวข้อธรรมอื่นคือในเรื่องของญานวัตถุปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะทังนะมันไปเกี่ยวข้องกับหัวข้ออื่นที่ชื่อว่าญาณวัตถุ44และยาณวัตถุ77คําว่ายาณวัตถุ44และ77นี้เป็นพุทธบทก่อนที่จะไปอธิบายตรงจุดนั้นดูฟัง อยากจะเสริมตรงนี้นิดหนึ่งว่าในบรรดาทั้ง11อคู่12อาการที่กับพระเจ้าเรียบไว้เหมือนกับหน้าปัดนาฬิกานั้นตำแหน่งของหน้าปัดนาฬิกามีความสําคัญเพราะว่าบางคู่มันสําคัญทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะว่าคนเราทั้งหมดทัมาฝั ง, งทุกคน ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ด้วยสัตว์เดรัจฉานด้วยเทวดาด้วยต่างจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรเนี่ยนะมันจะถูกผลักดันไปเพราะว่าเวทนาเวทนานจะเป็นตัวที่ผลักดันให้เขาทำถ้าได้สุกเวทนาเอาแน่เวทนาเป็นตัวห้ามรามที่ให้เขาไม่ทำแน่แต่มันเป็นทุกขเวทนาคนเราทุกคน รวมถึงเทวดาสัตว์ราชาและสัตว์รกด้วยทางก็รักสุขเกลียดทุกขคือไม่อยากได้ทุกขเวทนาอยากได้สุขเวทนาเริ่มเห็นความวันล้ใช่ไหมว่าไอ้คู่ที่มันสำคัญสำคัญเนี่ยมันคือตรงจุดที่เป็นเวทนาเพราะมีเวทนาจึงมีตัณหาเพราะอาศัยเวทนาตัณหาจึงเกิดในตรงนี้สาคัญ หนอีกคู่หนึ่งที่สำคัญก็ตรงอาวิชาไงเพราะมีอาวิชาจึงมีสังการทั้งหลายใช่ไหจุดเริ่มกับจุดตรงกลาง12นาฬิกากับ6นาฬิกานี่มันสำคัญสำคัญตรงที่ว่า6นาฬิกาเนี่ยเป็นจุดที่ต่ำสุดของตั้งหน้าปัดนาฬิกา12ตัวเลขที่มันต่าสุดนี่เพราะว่า อะไรก็ตามมันก็จะมาไหลรวมกันลงตรงนี้ความทุกทุกอย่างจะรวมลงในเวทนาเวทนาไม่ว่าจะอย่างไหนทีว่ว่าเราอยากได้สุขไม่อยากได้ทุกต่างก็รวมลงในความทุกข์ด้วยพูดไปงี้มไม่รู้ทานฟังจะเข้าใจหรือเปล่ายกตัวอย่างดีกว่ายกตัวอย่างไม่ต้องเอาอะไรมากเอาในชีวิตประจำวันของเรา ในชีวิตประจำวันของเราเช่นคุณไปช้อปปิง้งไม่ว่าจะช้อปปิ้งออนไลน์หรือว่าช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าโควิดหมดแล้วก็ให้เข้าไม่ต้องใส่หน้ากากด้วยไม่ต้องตรวจเอทไเคไดูเลยดูตามร้านรวงต่างๆเดินไปนี่โอ้ของกินก็มีโอ้เสื้อผ้าก็มีกระเป๋าก็มีเหล่านี้คืออะไรเอ้าเหล่านี้ก็เห็นรูปด้วยตาไง ดนตรีฟังตืงต้หนึงตึงตึงก็ได้ยินเสียงด้วยหูไงอันนี้คืออะไรอ่ะเอามันคือภาษาถ้ารสอาหารเข้าหูไม่ได้นะกลิ่นเข้าหูไม่ได้กลิ่นต้องก่อจมูกต้องมีภาษะมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีภาษะเออไม่ต้องมีสระยะย้ยตาน้าตาหูของเราไงโอ้เรามีตาเรามีหูเราจึงมีภาษาทำไม่คุณมีตามีหูได้ก็ร่างกายของเราเป็นนามรูปไง เราไปห้างสรรพสินคา้าคุณก็เอานามรูปของคุณนั่นนะไปใช่ปะเลยที่ไปรู้เสียงรูปภาพได้เพราะอะไรก็รูปไงคือหูคือเสียงคือกลิน่นคือจมูกใจง่ายคือวิญญาณมีวิญญาณไปด้วยเออวิญญาณมันก็คือจิตที่ไปทำหน้าที่ใ น, ในการปรุงแต่งนั้นละจิตปรุงแต่งเป็นวิญญาณจิตไปรับรู้นามรูป จิตออกไปทางช่องทางสลายะต น, นะจิตมันก็มีผ่าษาขึ้นที่จิตไงนี่คือตัวอย่างนะตัวอย่างกัปปชายาตอบคำถามไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าทุกอย่างทั้งหมด12อาการนั้นมันมาเกี่ยวข้องกับจิตตรงไหนและมันไปถึง24อาการมาเกี่ยวข้องกับจิตตรงไหนคือจิตมันอยู่ตรงเข็มนาฬิกาเลยตรงกลางเลยทุกอย่างมันมารวมลงเข้าที่จิตหมด จิตมีผัสสะจิตมีสัละยะตันนาะจิตมันก็มีผัสสะมากระทบมีผัสสะมากระทบแล้วเกิดเวทนาที่ไหนอ่ะใครเป็นสวยเวทนาก็จิตนั่นแหละไปสวยเวทนาฮุมฮุมฮุมฮุมเลยนะที่ไหนที่จิตก็ เ, เราตรงไหนตรงที่คุณไปช้อปปิ้งนั่นแหละต้าคุณช้อปปิ้งอยู่หน้าโทรศัพท์มือถือหน้าคอมพิวเตอร์จิตมันก็ได้รับเวทนาตรงนั้นแหละ ถ้าคุณไปช็อปปิ้งอยู่ตามห้างสรรพสินค้าไปเดินสตรีทฟู้ดถนนคนเดินจิตมันก็รับรู้เวทนาอยู่ตรงนั้นแหละเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยมาถึงคูสำกันละจึงมีอะไรอะไรเป็นผลของเมื่อจิตเรามีเวทนาแล้วตัณหาไงเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาเกิดขึ้นที่ไหนที่จิตจิตก็อยากได้สุขไม่อยากได้ทุกข์ไง จิตอยากได้สูงมาอยากได้ทุกที่ไหนก็ตรงที่คุณไปชอปปิ้งนั่นแหละตรงที่คุณไปเดินห้างนั่นแหละอยากกินนั่งกินนี่คืออะไรตัณหาไงเราอยากจะตอบคำถามนี้ด้วยนะท่านฟังว่าเอาแล้วขันห้ามอยู่ในเนปฏิจาสมุมบาใช่ปะ่ะเพราะว่าไม่เห็นมีสัญญาเลยอะ่ะสัญญาเวทนาเนี่ยท่านฟังเหมือนมาด้วยกันเพราะว่าพอมีผัสสะแล้วจึงมี เวทนาพอมีผัสสะแล้วก็มีสัญญาก็ได้มีสัญญาแล้วก็เกิดปัญหาได้เหมือนกันลักษณะการที่มันปรุงแต่งไปนั่นก็เป็นสังขารรูปเวทนาสัญญาสังขารไงการปรุงแต่งทั้งหมดเหตุเกิดความดับอาศัยปัจจัยแต่ละกู้ละกู้ของมันของมันนั่นแนหะเรียกว่าการปรุงแต่งการปรุงแต่งได้หมดข้าพเจ้าจึงได้เคยเแบ่งเอาแล้วนะว่า ตั้งแต่3ามกุ้แรกนี่คือเป็นลักษณะที่อธิบายไว้โดยรวมคือตั้งแต่เลข12เลข1เลข2เลข3นี่คือรวมของตั้งแต่เลข4ีจนถึงเลข11เลยว่าแต่ละอย่างละอย่างนึงคือการปรุงแต่งแต่ละอย่างละอย่างนึงมีวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างนึงมีนามรูปหมดทั้งหมดอยู่ด้วยการปรุงแต่งนั้น มีผลมาจากอาวิชาแทรกซึมอยู่หมดแทรกซึมอยู่หมดโอเคนะเดี๋ยวพูดตัวอย่างนะอวิชาแทรกซึมอยู่หมดในขณะที่คุณก็ดูภาพเดินชอปปิง้งหรือไม่แต่ว่าถ้าเราขับรถอยู่อย่างนี้แล้วถูกคนขับปาดหน้าเอียโอ้โหเบรกจนตัวโกงนี่มันมาจากไหนนี่พ่อแม่เขาสอนหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวนะอย่าพึ่งไปเร็วไป น, นั้นเพราะว่าไอจังหวะที่เราขับรถอยู่ธรรมดานี่ เราก็ต้องดูถนนใช่ไหมมีตาใช่ไหมล่ะเวลาเราขับรถธรรมดาเราดูถนนเราก็ต้องฟังเสียงต่างๆด้วยมีตามีหูนั่นเกื อ, อะไรนามรูปสรยียตนะผัสสานี่มันอยู่ตรงนั้นหมดแล้วถูกหมบางคนขับรถต่อให้ใจลอยก็ตามเห็นเหมือนกับไม่เห็นได้ยินเหมือนกับไม่ได้ยินใจลอยไปอยู่ใช่ไหมใจลอยมันลอยด้วยอะไรก็ลอยด้วยวิญญาณวิญญาณก็อยู่ตรงนั้นไวิญญาณก็ต้องมีอาศัยนามรูป วิญญาณคือการปรุงแต่งสังขารของจิตมังก็ยู่ตรงนั้นน่ะตรงที่เราขับรถน่ะพอถูกขับปาดหน้าเอีย้ยดเบรกตัวโกง่งใช่ป่ะการที่คุณตอบสนองกับสิ่งนั้นได้ว่าเฮ้ขนาดฉันบบขับรถใจลอยหรือขับรถใจไม่ลอยมีสติก็ตามอ่ะถูกก็าปาดหน้าปุ๊บเลยเบรกเอี้ยดได้ปุ๊บหลบมาได้ปุ๊บไม่เกิดอุบัติเหตุ น, นี่ก็คือมีผัสสะมารกระทบเราใช่ไหมว่ามีการเปลี่ยนแปลงของภาพที่อยู่ต่อหน้า มีการตัดสินใจได้อย่างฉับพลันการตัดสินใจนั้นคือการกระทำทางกายมันก็คือสังขารไงใช่ไหมสังขารเกิดขึ้นปรุงแต่งทางกายแบบนี้เห็นไหมต้องฝั่งว่าการเกิดมันไม่ไดใช่ว่าวนไปวนไปวนไ ป, วนไปอย่างนี้นะคือถ้าเราจะคิดว่าวนตามเขียนนาฬิกาไปเรื่อยๆแล้วก็เร็วมากหรือม า, มาคือมันเกิดแล้วมันดับแล้วแล้วมันเกิดใหม่แล้วมันดับแล้ว เป็นกู่เป็นคู่อยู่ที่ว่าเราสนใจเรื่องไหนอะไรยังไงต่างหากขณะที่เกิดและขณะที่ดับผมาขณะนี้คือหมายถึงช่วงเวลาเนี่มันรวดเร็วแล้วมันเกิดคู่ไหนมันก็ดับคู่นั้นเวลามันเกิดเป็นคู่เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะต้องเรียงตามลำดับแบบนี้คือนี่ท่านพูดอธิบาย ให้มันดูเหมือนต่อกันเป็นสายๆเพราะนั่นคือพุทธลีลาในการอธิบายให้มีความงดงามแบบนี้เวลาเกิดจริงๆนะขับรถอยู่ไปชอปปิ้งอยู่มีคนด่าหรือมีคนชมก็ตามเนี่ยมันไม่ได้เกิดเรียงตามลำดับเหมือนในตัวหนังสือหรอกทุกประวัตมันอยากจะเกิดคู่ไหนมันก็เกิดคู่นั้นนะ มันมีเหตุปัจจัยให้เกิดกู้ไหนมันก็เกิดกู่นั้นเหตุปัจจัยของกู่ไหนดับไปกู่นั้นก็ดับไปมันไม่ได้ต้องเรียงตามนี้โดยซ้ำหลือมันก็ไม่ไดว่าจะต้องไปจบที่ทุกทุกอย่างโดยซ้ำแต่ว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นที่จิตของเราแน่นอนในแต่ละกู้ละกู่ที่เกิดตัมฟังตั้งใจฟังตรงนี้ดีนะมีตัมฟังท่านหนึ่งก็บอกเวลาฟังซีรีส์นี้เนี่ยอืมฉันก็ทำกับข้าวไปด้วยนะ แต่ฉันก็เตรียมอาหารใส่บาตรพราไปด้วยแต่ฉันก็ฟังไปด้วยฟังด้วยทำอย่างอื่นไปด้วยได้ไม่มีปัญหาแต่ก็ไกร์กรวนพิจารณาตามไปด้วยเอาอีกตัวอย่างหนึง่งจำไว้หลักการนะการที่ประปรชาดัานไล่เรียงมา12อาการ11บคู่พูดให้ต่อกันต่อกั น, กนแบบนี้มันจูนเหมือนเป็นสายมันไม่ได้เกิดเป็นสายแบบต่อกันเร็วปื๊ปดปั๊ปดปื๊ดปัด๊ดไรอย่างที่เราเข้าใจกัน แต่เร็วเนี่ยมันใช่อยู่เพราจิตเรามันเร็วอยู่แล้วมันเป็นขณะขณะเกิดขณะดับเนี่ยมันรวดเร็วรวดเร็วความรวดเร็วของมันที่เกิดและดับนี้เวลามันเกิดและดับจริงๆมันเกิดคู่ไหนก็ได้ตามเงื่อนไขปัจจัยที่มันจะเกิดยกตัวอย่างมีคนมาด่าเราเราก็ทํากับข้าวของเราอยู่ดีๆอย่างนี้จะบละเราก็อยู่ในชีวิตประจำวันเดินยืนนั่งนอ น, น, นอต่างๆไปนั่นคืออะไรมันก็คือนามรูปคือวิญ ญ, ญาณ คือสลายตนะคือภาษานี่แหละที่ไหนที่จิตของเรานั่นไงจิตอยู่ตรงกลางนะอย่าลืมจิตแม้แต่ของพระอรหันต์เองก็ตามนะก็ยังมีจิตตัวบะแต่จิตหลุดพ้นแล้วจิตจึงดำรงอยู่เนาะจิตดำรงอยู่จิตจึงยินดีร่าเริงด้วยดีจิตไม่สะดุ้งจิตหลุดพ้นจิตของผู้ดูชนก็มีจิตเหมือนกันแต่เป็นจิตที่ยังสะดุ้งอยู่สะดุ้งในพระอะไรมันจะต้องมาต่อกันไปตรงนี้ สะดุ้งพระตัณหาสะดุ้งพราะความยึดถือต่อไปอนั้นแต่จิกของพระอรหันต์ก็มีก็จะอยู่ในเลข 1, 1ถึงเลข6แต่จิกของปุถุชนเนี่ยมันจะต่อไปด้วยจากเลข7ถึงเลข12บสอให้ดูดีนะเนยยของเข็มนาฬิกาน่านฟังเราทบทวนอีกครั้งหนึ่งทบทวนอีกครั้งนีง้เลข12คืออภิชาตามเข็มนาฬิกานะ1 2 3สองสาม คือสังขารวิญญาณนำรูป 4-5-6 หกคือสละยตนะผัสสาเวทนา 7-8-9 คือตัณหาอุปาทานพบ1 1 1 1ิ 10, 11, 12, คือชาติภุกและอวิชชาสมาทุกนี่หมายถึงชรามรณะความทุกข์ต่างๆอยู่ในเลขก11นึกตามภาพเข็มนาฬิกาตรงจุดที่เข็มนาฬิกามันหมุนเกาะ อ, อยู่กัทั้งสามเข็มเนี่ยนั่นคือจิต โอเคนะเอายกตัวอย่างในชีวิตประจําวันจิตของทุกคนมีหมดถูกปะ่ะแม้แต่พระอาหารหันต์แม้แต่พระสมมาสมพุทธเจ้าเองก็ตามเวทนาเกิดไหมพระอาหารหันต์เกิดแน่นอนเอไปบินบาบเอาพระอาหารหันต์ไปบินบาตได้ปะ่ะได้สิยิ่งต่อไปเลยเอาไปบินบาตเดินไปนี่เป็นอะไรก็ว่านี่เป็นอะไรเก็น้ำรูปไงน้ํารูป เดินไปเมื่อต้องมองทงมองทางอะไรให้มันไปได้ถูกใช่เปะละ่าก็เป็นภาษาภาษาเกิดที่ไหนภาษาอาศัยอะไรอาศัยสเลยตะนะสะเลยตะนะก็เกิดแล้วตรงนั้นก็มีตามีภาพเกิดขึ้นที่ไหนนี่อะไรก็ไปรับรู้ก็จิตไงจิตอยู่งไหนตรงกลางจิตปรุงแต่งไปถ้าไม่มีการรับรู้คือวิ ญ, ญญาณมีความรู้สึกแน่นอนถ้เดินเหยียบแก้ว อ, อย่างนี้ ยิ่งบางทีตามตรอเข้าสารนี่ยพวกกินเหล้ากินไรกันขวดแก้วหล่นแตกไปเดินบินดาบตรงนั้นก็เหยียบแก้วเข้าให้โอ้มันก็ต้องเจ็บมาเป็นธรรมดาใช่ไหมละ่ะมันก็มีเวทนามีทุกขเวทนาเกิดขึ้นอาศัยอะไรอาศัยภาษาตรงไหนก็ภาษามันเกิดขึ้นตรงไหนเรากเกิดที่ที่จิตจุบาละจิตก็สวยเวทนานั่นแหละใครๆ ก, ก็เป็นอย่างงี้นะถูกไหมจิตกรมพระนั้นก็เป็นอย่างงี้ทุกฝังจิตกรมพลชนเอาสมมุติ คุณถูกขับรถปาดหน้าคุณถูกด่าถูกว่าเวลารู้ผิด า, าแบบนี้ประมารู้ได้นี่ว่าไอ้นี่มันคำด่านะเนี่ยไอ้นี่มันก็ด่าพ่อฉันด้วยแล้วก็ด่าแม่ฉันด้วยแล้วก็ดา่ดดาตระกูลฉันทั้งหมดด้วยเอา้าว่าฉันผิดคนเดียวล แ, แล้วแวาพ่อแม่เอาตระกูลมาเกี่ยวข้องอะไรไอ้ตรงนี้คือการปรุงแต่งแล้วใช่ไหมปรุงแต่งนี่นคืออะไรสังขารไงไอเวชนะที่ตะกี้มันยังมีอยู่ไหมมีมีอยู่แล้วเนี่ยมันทําให้เกิดการปรุงแต่งต่อเพราะอะไร พระจิตไปปรุงแต่งในสังขารมันไม่รู้มันมีอวิชชาไอ้คู่นั้นมันก็เกิดแล้วไงอวิชชาสังขารปรุงแต่งเสร็จปุ๊บทางใจใครก็ไปรับรู้ก็วิญญาณไงวิญญาณมโนวิญญาณเนี่ยไปรับรู้อารมณ์โกรธต่างๆตอนนั้นที่มันเกิดขึ้นจิตที่มันยังมีอวิชามีตัณหาเนี่ยมันก็ปรุงแต่งสิ่งที่เป็นความไม่พอใจเป็นโทสะเป็นโมหะขึ้นมาได้ไอ้ที่บอกคุณไปปรุงแต่ง ความโกรธอะไรต่างๆขึ้นมาได้เพราะสังขารนวิชาเนี่นะมันอาศัยตัณหาเป็นตัวยึดเอาแล้วไปยึดตอนไหนนี่มันตอนนั้นแหละที่เรายึดว่ายัางปล่อยวางไม่ได้มันยึดถือมาตลอดถ้าพุทุชนยึดถือมาตลอดแล้วไอ้ลักษณะที่ว่าฉันเป็นตัวตนนี่กราบกลัวของฉันก็เป็นภกไงอยู่ที่ว่าเราจะหยิบจุดไหนมาอธิบายแต่เวลาเกิดนะตัวฟังมันคือจะว่า เป็นกู้เป็นกู้แล้วรวดเร็วมากนี่มันก็ใช่อยู่แต่ว่าท่าผู้ฟังจะเข้าใจไหมเพราะมันรวดเร็วมากเหมือนกับหยิบทั้งพวงเลยก็แล้วกันนะหยิบมันทั้งพวงขึ้นมาเลยเนี่ยมะม่วงที่อยู่ในพวงนั้นยวงนั้นด้วยกันทั้งหมดมันก็ขึ้นมาหมดเลยทุกอย่างมันมารวมที่จิตนะท่านผู้ฟังนะเวลาเราจิตมันโดนอะไรเนี่ยทั้งพวงทั้งยวงนั้นมันก็มาด้วยกันหมดเลยแล้วการที่จิตมันเป็นขณะขณะนั้น เป็นเหมือนกระแสที่เกิดขึ้นและดับไปอย่างรวดเร็วกระแสนี่นก็เหมือนกระแสไฟกระแสนั้นก็เหมือนกระแสน้ําน้ําจริงๆมันก็คือเป็นโมเลกุลของ H2O โมเลกุลเดียวเอามันเล็กเกินไปเอาเป็นหยดเหนียวๆลันหยดเดียวคือฝนเม็ดหนึ่งอะฝนเม็ดหนึ่งเป็นหน่วยเล็กที่สุดรวมกันรวมกันก็เป็นบึงน้อยบึงใหญ่รวมกันรวมกันก็เป็นแม่น้าน้อยแม่น้ำใหญ่ เป็นแม่น้ำน้อยแม่น้ำใหญ่ก็ไหลามาไหลามารวมกันมาก็อยู่ในเนี่จิตเราเนี่ยมันผูกพัดเป็นกระแสให้ปรากฏเห็นเป็นลนักษณะของนามรูปคือกายกระบวนการที่พัดกันมามันอยู่ในวงจรนี้หมดวงจรนี้หมายถึงเป็นกระแสไงทุกฟังเกิดขึ้นระดับไปอย่างรวดเร็วแต่สำหรับประอรันตัวนี้ถึงมีความสำคัญปฏิจจสมุปบาท อยู่ในนี้ไหมแน่นอนแต่ท่านตัดกระแสท่านตัดวงจรของมันได้ตรงไหนตรงคู่ที่สำคัญที่สุดไงตูมฟังตรงว่าถ้ามีเวทนาเกิดแล้วไม่มีตัณหาตัณหาความทยานอยากเนี่ยถูกตัดออกไปแล้วใช่ไหมสำหรับพระอรหันต์พอไม่มีตัณหาให้ความยึดถือ กูปทานความที่จะมาเป็นสภาวะคือพบความที่จะไปก้าวลงสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่านี้ต้องเป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นนี่เป็นตัวเราเนัเป็นของเราชาตินั้นการเกิดนั้นจะดับไปดับไปนี่คือไม่มีมันไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้หมายถึงว่าจุดเนี้ยถ้ามันจะเกิดขึ้นที่จิตเนียมันจะไม่เกิดมันจะไม่เกิดมันจะถูกดับถูกดับ เพราันถ้าเราหยิบยวงนี้ขึ้นมาหยิบที่นาปัดเข็มนาฬิกาใช่ไหมหยิบไปตรงจุดที่มันเป็นเข็มนะ่ะตรงกลางนั่นนหะหยิบขึ้นมาปุ๊บเลขหนึ่งถึงเลขสิบสองมันติดขึ้นมาหมดแต่เลขเจ็ดถึงเลขสิเอ็นั้นมันเน่าหมดแล้วมันเละแล้วมันไม่เห็นตัวนะมันไปต่อไม่ได้มันก็เหลือครึ่งแรกครึ่งเดียวเลขหนึ่งถึงเลขหกความทุกขมันก็ไม่เกิดแต่สําหรับผุ้ดชนทั่วไปใช่ไหม หยิบเอาตรงเข็มนาฬิการตรงกลางขึ้นมาแล้วทั้งยวงสิบสอตัวเลขติดขึ้นมาหมดใช่ป่าด้วยกันเลยจะพิจารณาตรงไหนจะหยิบคู่ไหนมาใช้ได้หมดสามิตียงนะถ้าถูกชมคราวนี้ถูกเขาชมโอ้โคุณเก่งอย่างงั้นคุณเลิศอย่างนี้คุณเก่งจริงๆคุณทํานั่นนี่แต่มรู้จริงหนะ่ืนะอ่านะสมมุติเป็จริงก็แล้วกันจริงหรือไม่จริงยกไว้หรือถูกเขาชมเนี่ คุณต้องหอคุณต้องสวยคุณต้องรวยคุณต้องดีคุณต้องเก่งนั่นนี่ไอ้ที่ถูกชมถูกชมมันอะไรณมันเสียงเสียงผ่านมาจากไหนก็ต้องสรเลตนะปัสสะใช่ป่ะเหมือนการมีทุกคนพระรานก็มีกุุชนก็มีสัตว์โกก็มีเทวดาก็มีอย่าละเอียดไม่เท่ากันอย่าละเอียดแตกต่างกันเวทนาที่เกิดขึ้น มันก็เป็นสุขเป็นทุกข์ไม่เหมือนกันสัตว์นรกก็มีทุกเวทนามากหน่อยเทวดาบนสวรรค์ก็มีสุขเวทนามากหน่อยมนุษย์นี่ก็จะมีสุขและทุกข์ปอบๆกันภาษาเวทนาสเริธนาต่างๆแบบนี้เอาพอมันมีเวทนาแล้วคนตั่วไปถูกชมใช่ไหมเฮ้ยเป็นภาษะมีภาษะแล้วก็มีความหมายรู้คือสัญญาว่าอ๋อนี่เป็นคำชม รู้วันนี้เป็นคำชมแล้วก็มีสุขเวทนาเกิดขึ้นเวทนาสัญญานนระหว่างนั้นมันด้วยกันเวทนาสัญญามันด้วยกันบางอย่างมันต้องผ่านสัญญาขอนถึงจะเกิดสุขเวทนาได้บางอย่างมันก็ไม่ต้องผ่านสัญญามันเกิดสุขหรือทุกข์ได้ทันทีเลยเช่นถ้าถูกตีอย่างเนี้ยคุณไม่จาเป็นต้องมาคิดก่อนว่าอนี้ฉันถูกตีหรือฉันไม่ได้ถูกตีคือของแข็งมันโดนหนังมันก็เจ็บเลย แ้่บางอย่างยิ่งถ้าเป็นสิ่งที่เป็นคําพูดหรือเป็นทางมนโนมันต้องไปคิดก่อนเช่นเขาพูดมาอย่างเงี้ยบางทีภาษาสุภาพมากๆเลยแต่ว่าไอ้มด่าเราเนี่ว่าเออบางทีเขาภาษาก็ไม่สุภาพแต่นี้มันพูดจากใจจริงเนี่นมันชมด้หน่มันก็ต้องมีสัญญาก่อนใช่ไหมมีภาษาจึงมีสัญญามีภาษาแล้วจึงมีเวทนาสัญญากับเวทนามันจึงด้วยกันไม่ต้องไปสงสัยเราฟังว่า เราขันห้าไอ้ตรงตัวสัญญามันอยู่ตรงไหนในปฏิจจสมุปบาทมันอยู่ด้วยกันกับเวทนาดีกว่าครันงที่สองนะให้สบายใจเวลาท่านอธิบายละเอียดใช่ปะเอาตัวแปรต่างๆขึ้นมามากบางจุดก็ต้องตัดออกไปนี่ก็เป็นตัวอย่างคือขันห้าเนี่ยเราจะมาอธิบายในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทได้เวลาคลี่กันออกมาทั้งหมดบางจุดตรงตะเก็บมันก็เลยหายไป หายไปนะัไม่ใช่หายไปไหนตือคือมันมองไม่เห็นแต่มันอยู่ด้วยกันตรงนี้ทีนี้พอสำหรับเวลาที่เราได้รับคำชมแล้วเป็นผัสสะแล้วมีความเข้าใจคือสัญญาอย่างนี้แล้วเกิดเป็นสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วมีสุขเวทนาถ้ากรณีของปุุ้ชนเนือนมีสุขเวทนาก็มีความพอใจไงความพอใจในสุขนั้นคือตัณหาเรียกจาะจงลงไปก็ พราวะตัณหาแล้วก็เป็นกรารมาตัณหาเสียงที่น่าชอบใจเป็นกรารทำให้เรารู้สึกว่าเป็นตัวตนอยากได้แบบนี้อีกอยากมีแบบนี้อีกก็เป็นภาวะตัณหาขึ้นมาไอ้ตัณหาที่มันมีมันมีอยู่แล้วในจิตของเราดูะละจิตนี่มันมีตัณหาอยู่แล้วมีรากของมันเนี่ยคืออวิชชาจิตเนี่ยบางทีถ้าอยู่เฉยๆธรรมดาปุถุชนธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยนะ บางทีก็ไม่มีราคาโทสะโมหะเนี่ยก็คือเหมือนคนทั่วไปเขาจิตสบายๆไม่ได้อยากอะไรไม่ได้โกรธใครสบายๆแบบนั้นน่จะเรียกว่าเป็นสมาธิเลยก็ได้นะนะเพราะว่าในสมาธิชนิดที่ตราลืมตาเอาเลยอะ่ะแล้วก็อยู่เฉยๆเนี่ยมันไม่ได้มีราคาโทสะโมหะลักษณะจิตแบบนี้คือเป็นสมาธิในสมาธิไม่มีราคาโทสะโมหะ เพราะว่าอากุศลละธรรมทั้งหมดมันดับไปในสมาธินั้นใช่ไหมผู้ทุชนทำได้ทังหไม่มีปัญหาคนที่ตื่นเช้ามาไม่ได้มีทุกเวทนาอะไรอยู่เฉยๆชิวๆไม่ต้องไปทำงานจิตแบบนั้นเป็นสมาธิได้แต่ว่ารากของมันที่ลึกลงไปนั่นนะ่ะที่เราไม่ได้จะเห็นได้ด้วยการรับรู้คือวิญญาณเนี่ยมันมีอวิชามีตนาอยู่ อยู่ที่ไหนอวิชชาตัณหาอยู่ที่จิตพระพุทธเจ้านี่จึงบอกว่าเราในถูกจิตของเราหลอกอยู่นะถึงแม้ว่าเราอยู่ในสมาธิเองก็ตามนะปุ้ดชนนะผูกจิตที่มีอวิชชานี่ยหาลอกอยู่เข้าใจเพศจึงทําให้ไปยึดถือเพราะจิตที่มีตัณหาใช่ไหมเพราะจิตที่มีรากคืออวิชชาเนี่ยมันมีอยู่ในจิตจิตจึงไปยึดถือโผลอกมาแล้วเป็นอะไร อุปท า, านอุปท า, านยึดถือในอะไรอุปทานในโปรมานี่าาคือเป็นอาการของจิตนะอุปทานนี่นะเป็นอาการที่จิตเข้าไปยึดถือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณโดยความเป็นตัวตนใครก็ไปยึดนะจิตก็ไปยึดทําไมอ่ะเพราะจิตนั้นมีตัณหามีอวิชชาอยู่เห็นไหมท่านฟังว่ามันล็อกเลยนะจากเลขเจ็ด ถึงเลข12นี่ครึ่งหนึ่งตรงวงในตามเข็มนาฬิกานี่มันถูกล็อกอยู่ด้วยตัณหาคือเลขเจถูกล็อกอยู่ด้วยอวิชชาคือเลข12ข้างในระหว่างนั้นแปดเก1านี่มันรับหมดเลยมันเกิดขึ้นหมดเลยอยู่ด้วยกันถูกควบคุ่มไว้ด้วยตัณหาและอวิชานี่นี่ลีลาการอธิบายของพระบรมรเจ้านะทั้งหมดนี้เกิดขึ้นที่ไหนที่จิตของเรา อ้ครึ่งวงตั้งแต่เลข7ถึงเลข12นี่มันจะเป็นของบุตรชนที่ว่าถ้าบางทีเออจิตเราสงบดีไม่มีปัญหาแต่มีตนาวิชาแน่แต่มีตนาวิชานี่อุปทานภพชาติความทุกข์มันยังมีอยู่แต่มันซ่อนอยู่ซ่อนอยู่แล้วมันจะปรากฏมาตอนไหนก็ตอนที่มีอะไรมากระตุน้นกระตุ้นนี่คือฝั่งไหนมากระตุน้นขวาด้านขวาคือเลขหนึ่งถึงเลขหกนี่เป็นตัวกระตุน้น มีสังขารการปรุงแต่งจากเสียงภาพอะไรต่างได้ยินแล้วเกิดเป็นเวทนาเมื่อไหร่นั่นแหะมันจะเริ่มจีบปูกปกๆขึ้นทันทีโดยคำชมบ้างโอ้คุณดีอย่างนั้นคุณเก่งอย่างนี้โดยคำด่าบ้างว่าทาไมคุณแย่อย่างนี้คุณเป็นอย่างนี้ด่าชมแล้วใช่ไหมเวลามันปรากฏรูปออกมาที่ให้จิตกรรับรู้ด่ามันก็จะเป็นราคาโทสะหรือโมหะไงหิว ร้อนหรือมืดโอ้โหเขาชมก็อยากได้เพิ่มอีกอยากเป็นอีกอย่างมีอีกนั่นก็ราคาโลปะเขาดา่าออ้ยไม่อยากได้ไม่อยากเป็นไม่อยากมีปฏิเสธไม่พอใจมันคือโทสะโทสะออกมาเพราะอะไรนะเพราะมันล็อกไว้แล้วด้วยตนาอวิชชาจิตมันก็จึงมีความเร่าร้อนเป็นโทสะขึ้นมีความหิวเป็นราคาขึ้น เกิดขึ้นที่ไหนจิตกลายเข้าไปรับรู้วิญ ญ, ญาณมโนโวิ ญ, ญญาณไงพอในช่องทางใจของเราเป็นสาริตระใช่ไหมมันมีความรุ่มร้อนเน่าร้อนเป็นโทสะมีความหิวเป็นราคะแล้วเวลาไปรับรู้อะไรมันก็ปิดเพี่ยนไปหมดไงเหมือนกับว่าเราใส่แว่นตาสีแดงอย่างนะี้นะคุณมองอะไรมันก็จะกลายเป็นแดงๆไปหมดสีขาวก็กลายเป็นสีแดงสีเหลืองก็กลายเป็นสีแดง แม้แต่สีเขียวก็ยังเป็นช้ำเลือดช้ำหนองออกแดงๆนั่นราะว่าการรับรู้ของเรามันผิดเพี้ยนไปจากราคาโทสะโมหะที่มันออกมามันก็เลยตกไปอยู่ในห่วงของความถูกมีปัญหาทั้งหมดนี่อยู่ในพวงนี้นะระวังนะไอ้กู้ของเวทนานะมันจึงสำคัญว่าถ้ามีเวทนาแล้วเราจะไม่ให้เกิดตัณหาได้ไหมถ้าเราจะปรุงแต่งด้วยความไม่รู้เกือวิชา มันก็จะต้องมีเวทนาตัณหาแน่นอนละ่ะแต่ถ้าเราจะให้การปรุงแต่งของเราประกอบด้วยวิชาคือความรู้ให้การปรุงแต่งคือสังขารของเราอย่าไปประกอบด้วยอวิชาคือความไม่รู้เราก็ต้องใส่วิชาก็าไปไงเราก็ต้องใส่สติรรสัมปชัญญะเข้าไปคือทั้งเกิดและดับนะมันอยู่ด้วยกันตรงนี้ในชีวิตประจำวันของเรา ขณะไปช้อปปิ้งขณะขับรถขณะมีคนชมขณะมีคนดา่าเคิขึ้นที่จิตของเราทั้งหมดอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเป็นกระแสที่ามาฟังเป็นพวงกันมาเลยเป็นพวงเป็นยวงแล้วมันจะเกิดตรงไหนมันก็เกิดได้หมดถ้าพูดว่าเป็นวงจเงเรงจเนี่ยมันยังน้อยไปเพราะวงจรมันเป็นสายอย่างเดียวใช่ไหมละ่ะสายนั่ก็เลยดูเหมือนเป็นกระแสกระแสมันไม่ใช่แค่เส้นเดียว มันยุบยับยุยับพันกันยุ่งวนกันอยู่ในนี้อีลุงตรงนางมากยุ่งมั่วกันยิ่งกว่าเป็นแค่สายสายมันยังยุ่งกันไม่พอท่านใจก็เป็นปมยุ่งกันเหมือนกลุ่มได้ที่พันแล้วก็ปมแล้วก็ยุ่งแล้วก็ม้วนกันอยู่ในนี้ไม่ใช่แค่เป็นสายนะระวังแต่เป็นสายพันกันจนเป็นปมเพราะสายมันยัง two dimension มันยังสองมิติอยู่แต่เป็นปมนี่มันสมิติสมิติเข้าไปเลยจะแก้ปริศนาที่เป็น3มิตินี่มันยากกว่าแก้ปริศนาที่เป็น2มิตินะแนวตั้งแนวนอ น, นยังมีแนวลึกเข้าไปอีกเป็นปมนมันยุ่งกว่าจิตนี่มันรับเละหมดทุกอย่างตรงนี้อยู่ในชีวิตประจาชญ์ของเรากรนี้อาการรู้ตรงนี้เราจะได้ประโยชน์อะไรใช่ไหมคืออันเนี้ยเป็นลีลาการอนธะิบายของพระบรมรูปเจ้ ที่ว่าจะอธิบายมันลึกซึ้งละเอียดลงไปแจกแจงไว้สำหรับคนที่อยากศึกษาให้มีปัญญาลึกซึ้งอย่เรื่องคนทีเขาเข้าใจอะไรง่ายๆนี่ยนะบอกแค่หัวข้ออริยสัจีเนี่ยเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่มันวาบขึ้นมาเลยน ะ, ะทำไมเป็นอย่างนั้นได้ต้องก็ความเข้าใจลึกซึ้งไงดูอย่างท่นมารสารบุตนี่เขาฟังแค่ว่าเยมาเตุป yeah, ว ทำเราได้เกิดแต่เหตุพระธราโคดทรงแสดงเหตุแห่งทำเหล่านั้นและความดับแห่งทำเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติสั่งสอนอย่างนี้ฟังแค่นี้เข้าใจถึงขนาดเป็นร้อยนัยยะพันนัยยะด้วยความ ส, สั้นๆอย่างนี้นะแค่เหตุเกิดและความดับและค ว, าว่ามหาสมณะนี่ฟังแล้วบุ้มเลยเกิดความเข้าใจแบบที่จะพูดต่อไปนี้คืออย่าในาวัตถุ ส4ยนานวัตถุ44หัวข้อที่กรรมอาจารชมูวันนี้นะนอกจากตอบคำถามถึงเรื่องคู่ที่สำคัญในปฏิจจสมุบาทและอาการที่มันเกิดขึ้นในชีวประจิมันของเราเวลาท่านอธิบายท่านอธิบายละเอียดเนี่ยเพราะว่าคนที่เขาสมองดีเขาเข้าใจลึกซึ้งได้เลยก็มีก็จึงต้องย้ำลงไปบัญญัติให้เห็นแจ้ง ว่าที่เข้าใจนะี่คืออย่า ง, างนี้่งนี้แม้แต่ตัวเราคุณที่เป็นโซดาบันทุกวันนี้นะคนที่เป็นโซดาบันเนี่ยเวลาเขาเข้าใจอะไรก็ตามในความเข้าใจของเขาเนี่ยจะต้องเป็นอาการแบบนี้คือปฏิจจสมุปบาทแบบนี้เวลาตัวเราเข้าใจอะไรก็ตามในเรื่องการที่เราญะพ้นทุกข์ขึ้นมาแล ะ, ละเกิดปัญญาได้นะก็ต้องเข้าใจตามเรื่องที่จะพูดถึงญาณนนวัตถุ44อย่างนี้แต่ว่าการที่จะกําหนดบทเพียนชนะพูดออกมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป๊ะ เพราะแน่นอนว่าความสามารถในการสอนก็อีกอย่างหนึ่งแต่ความเข้าใจต้องเป็นดังนี้คือเรื่องญาณวัตถุ44บพระพุทธเจ้ า, ายกหัวข้อนี้ขึ้นบอกว่าคนที่มีความรู้คือญาณ น, นะญาณแปลว่าความรู้ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง44อย่างนี้เรียกว่าธรรมญาณคือญาณในธรรม สี่ี่อย่างนี้มันอะไรแต่มันเยอะแท้เอาก็เอาอาการ12อาการที่รวมกันได้เป็น11คู่นี่นะสิคู่12อาการใช่ไหมแต่ละคู่แต่ละคู่เข้าใจใน4ลักษณะดังนี้คือเอาวิชาสังขารไงคู่หนึ่งเข้าใจยังไงคู่นี้หรือเอาง่ายๆเห็นก่อนเลยก็เอาความทุกข์นี่แหละ ชรามรณะความแก่ความตายความทุกข์ต่างๆในชีวิตเนี่ยเข้าใจตัวนี้แล้วก็เหตุเกิดของเจ้าความแก่ความตายออกมาก็คือการเกิดความดับไม่เหลือของเจ้าความแก่ความตายออกมาต้องเป็นความดับไม่เหลือของการเกิดข้อปฏิปันธ์คืออะไรก็งคือมรรคแคือเอาเรื่องอริยสัจสระหรวางหลักการเดียวกันบวางเอาตัวมันคือในที่นี้ความแก่ความตาย หรือจเจ้าตัญหาหรือจเจ้าเวทนาหรือจเจ้าสังขารหรือจเจ้าอุปทานอะไรก็ได้เราก็ส ม, มุดไทยคือเหตุเกิดของเขาก็ย้อนกลับไปใช่ไหมย้อนกลับไปตามเข็มนาฬิกาของเราคือจำนวนฝังที่ว่าอาจจะไม่ได้จําเป็นหน้าปัดเข็มนาฬิกาก็ไม่เป็นไรทลายเรียงสายกันได้แต่ละคู้ละคู่อย่างถูกต้องจําได้ก็ไม่มีปัญหาถ้ารู้ว่าเหตุของการเกิดคือภพเหตุของตัญหาคือเวทนา เอานั้นแหละมาเป็นเหตุคือสมุทยัยความดับของเหตุก็คือความดับของเจ้าตัวของมันเองหมายถึงถ้าดับเวทนาได้ตะนะก็ดับได้ถ้าดับสังขารได้วิญญาณก็ดับได้แล้ววิธีการที่ใช้ดับเหตุของเขาได้เนี่ยก็ต้องมือมากแปดเอาเรื่องอริยสัจ4 4อย่างเนี่ยนะมาจับลงไปแต่ละกู้แต่ละกู้สิบ็ดกู่ 1ิคูณ4ได้เท่าไหร่4 4ไม่ใช่เห้หวยนระวันงนะความเข้าใจในแต่ละกู่ด้วยรูปแบบของอริยสัจสีเรียกว่าธรรมยานธรรมยานนี้อันที่หนึ่งบวกกันกับความรู้ที่จะสามารถ นำให้เกิดใช้ในทั้งปัจจุบันและที่ผ่านมาคืออดีตและที่จะไปข้างหน้าคืออนาคตด้วยความรู้ที่เรานำไปคิดไตรตรองใครกลวนต่อได้เหตุที่เราฟังมาใช่หฟังมานี่คือสุตรามยปัญญาใช่ป่ะสุดตามยปัญญาแล้วเกิดความเข้าใจบางอย่างบางประการ ในข้อใดข้อหนึ่งขึ้นว่าอ๋อเนี่มันมีเหตุอย่างนี้ยานตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นธรรมยานแล้วนะความเข้าใจนี่คือเป็นปัญญาธรรมยานคือปัญญาด้วยนะปัญญานี่แบบไหนที่คุณเข้าใจถึงเหตุและความดับของมันมันก็ยังเป็นสุดตรรมยปัญญาเนะั่นแหละใครครวรไตรตรองตริตรึกตามก็เป็นจินตมยปัญญาคราวนี้ไตรตรองตามไปในอดีตด้วย ปัจจุบันด้วยว่าแบบอื่นินต่างๆอนาคตด้วยอ๋อเป็นประสารีบุตรตอนยังไม่ได้บวชยังไม่ได้เป็นจอร์ดาบนนะฟังแค่ว่าเออเหตุเกิดผลดับแล้วมีความเข้าใจธรรมะแต่และข้อละข้ อ, แ, ขอแตกในยะมาอย่างนี้ใช่ปะแล้วก็นําไปใช้สู่ในยะอื่นที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันต่อไปด้วยแล้วก็ไม่ใช่ว่าแค่บัวเราด้วย คนอื่นด้วยคนอื่นที่เขาถ้าจะเข้าใจธรรมะแบบนี้เขาก็จะต้องเข้าใจแบบนี้เหมือนกันเห็นลักษณะที่2ที่ว่าอดีอนาคตปัจจุบันคุณเข้าใจไปเนี่ยอย่างที่สองเนี่ยเรียกว่าญาณในการรู้ตามคืออันวยญญาณญาณในอันแรกที่เป็นลักษณะของอริยสัจสีนะั่นคือธรรมญาณคือญาณในธรรมญาณอันที่สองความรู้อันที่สองความเข้าใจอันที่สอง ที่สามารถนำไปเทียบเคียงเป็นระยะของอดีตนาคตและปัจจุบันและอื่นๆได้ทั้งตัวเองด้วยทั้งคนอื่นด้วยการรู้ตามันนี้ก็เรียกว่าอันวยะยานแปลว่ายานในการรู้ตามทั้งธรรมยานและอันวยะยานเกิดขึ้นกับใครสักคนใดคนหนึ่งนั่นคือเป็นภาวนามยปัญญาแล้วดูฟังจากที่ฟังจากที่คิดไตรตรองใครครวน เกิดความเข้าใจเฉพาะอย่างความรู้นั้นคือเป็นญาณเป็นปัญญาเฉพาะอย่างเจาะจงลงไปคุนอื่นด้วยตัวเราด้วยเนี่ยมันแจ้งวักขึ้นมาเนี่เป็นภาวนามยปัญญาคนที่เป็นแบบเนี้ยเรียกว่าเป็นผู้ยืนอยู่จดประตูแห่งอมาตะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยทิศเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งกระแสมายถึงอะไร โซดาบันงไงทุกฝั่งเป็นโสดาบันโสดาบันทุกคนนะทุฝัง น, นะที่เป็นขั้นผลนะจะต้องเข้าใจปฏิชาสมุมบาสนะเฮ้ยมันจะจริงเหรอไม่เห็นเข้าใจอธิบายได้เลยไปถามปฏิชาสมุมบาสนี่เขาไม่รู้เลยซ้ำว่าคำนี้หมายความว่ า, าไงขอโทอย่าไปเอาการอธิบายกับความเข้าใจวันเป็นนันเดียวกันดิเพราะว่าบทและพยัญชนะที่เขาจะเข้าใจเนี่ย มันอยู่ในเจตยียนิเวศมันอาจจะไม่ได้จะอธิบายได้ด้วยบทและปยยัญญชนะอย่างนี้อย่างนี้แต่ถ้าไปถามเจาะดูนะถามเจาะดูความเข้าใจในแต่ละข้อแต่ละอาการเนี่ยมันจะได้หลักการตามเรื่องของอริยสัจสีคือเหตุมีผลมีเข้าใจเหตุผลเข้าใจความเกิดความดับรู้ถึงว่าเออฉันจะต้องปฏิบัติตามมรรคแป ฟันธงลงไปได้ความเข้าใจในธรรมนั่นคือธรรมยานระยะที่เก็ตนี่คืออยู่ในจิตแบบนี้ปฏิจจสมุปาฏิเกิดแล้วเลยในนั้นไม่ว่าคุณจะรู้หรือคุณจะไม่รู้ก็มารู้นี่คือหมายถึงถามและตอบได้หรือเปล่าว่าถ้าถามลูกคุณอาจจะตอบได้หรืออาจจะตอบไม่ได้แต่ความเข้าใจความรู้นะความรู้ความเข้าใจนะเกิดขึ้นในจิตใจแน่นอนว่า เป็นเรื่องของปฏิจจสมุปบาทไม่ว่าเราจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ตามเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่คุณไปชอปปิง้งคุณไปขับรถคุณถูกคนดา่าคุณถูกคนชมลูกดือ้องานมันไม่มีปัญหาหรือประสบความสำเร็จอย่างเด ng หนึง่งปฏิจจสมุปบาทมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วอยู่ที่ตัวเราตลอดเวลาทุกขณะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นประโยชน์จากการที่เราศึกษาในเรื่องนี้คือว่าเราจะเข้าใจได้ลึกซึ้งมากขึ้นไงทุมฝั่ง เราเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นในแต่ละอาการแต่ละอาการพอมีความเข้าใจลึกซึง้งแนวโน้มแห่งปัญญาที่จะเกิดขึ้นจากการฟังมันจึงมีได้เพราะสายเส้นเนี่ยมันได้รับการขีดไว้แล้วด้วยสุตตมยปัญญาพอสายเส้นมันได้รับการขีดไว้ด้วยสุตตมยปัญญาการพัฒนาใช้เกิดคิดใกรกรุนตามจินตมยปัญญา ให้เกิดการซึมลึกเข้าไปจนถึงเข้าใจที่จิตของเราเป็นภาวนามยปัญญามันจึงจะมีแนวโน้มที่เกิดขึ้นได้เข้าถึงกับเข้าใจไงนะฟังฟังแล้วเข้าใจไหมเข้าใจอยู่เก็ตอยู่เข้าใจเนี่ยมันคือเป็นสุดตมญปัญญาจินต์แต่เมญปัญญ า, แ ต, ญญ า, ญญาแต่มันจะเข้าถึงไหมคือซึมลึกเข้าไปถึงจิตของเราอ่มันต้องเป็นภาวนาม ญ, ญาปัญญาการที่มีช่องทางแบบนี้แล้ว มันจะทำให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งต่อไปได้นี่คือลักษณะของยาใ น, นาวัตถุ44คือเอาอาการ11คู่ของปฏิจจสมุปบาทมาพูดตามในยะของอริยสัจ4ความเข้าใจในแต่ละข้อแต่ละอาการทั้งหมดแบบนี้หรือแค่เพียงคู่เดียวอาการเดียว4อย่างเนี้ยเรียกได้เลยว่าเป็นยานในธรรมคือธรรมยานแล้วก็โปรเจกต์ต่อไป คือมีแนวโน้มต่อไปในอดีตนาคดปัจจุบันตัวเองคนอื่นด้วยมีความเข้าใจในตัวเองว่าถ้าคนอื่นเขาจะเข้าใจเขาก็จะต้องเข้าใจแบบนี้นี่เรียกว่าอันบยายานัญญญาณคือญาณในการรู้ตาม 2. อ, อันนี้ประกอบกันเป็นคุณสมบัติของโสดาบันทุกคนแน่นอนเหล่าตาธ่รมบฟังคิดว่าตัวเองเป็นโสดาบันก็เอาความรู้ข้อนี้ไปทดสอบได้ทดสอบอยังไงมีความทุกอย่างใดอย่างหนึ่งดู มีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเออก็ถูกด่าถูกว่าเป็นต้นนะถูกด่าถูกว่าแล้วคุณเข้าใจแจมแจ้งในจิตใจไหมว่าถูกด่าถูกว่าเนี่ยมันคือความทุกข์มันเกิดจากอะไรเออมันเกิดจากตาคนนั้นอ่า อ, อ, อ่มันไม่ใช่ละ่ะแต่แล้วมันเกิดจากการที่เราเกิดมาเออคุณเข้าใจอย่างเงี้ยถูกนะเราเกิดมาเราจึงได้นำมาเจอความทุกข์แบบนี้อ่านั่นๆเป็นจดบันนะพวกคุณเข้าใจเหตุผลได้อย่างดี ถ้าเรายังไปโทษคนนั้นคนนี้อยู่เนี่ยราคาโทสะมันพาไปอาคติพาไปแล้วเราเข้าใจว่าเออมันเป็นโทษของสารวัตเราเกิดมาเป็นงี้โอเคงั้นเราจะดับมันทำไงทำตามมักแปดดิไม่ใช่ไปดับนี่คือไปลูดซิปปากเขาหรือไปโทษลูกหรือไปโทษการจราจรหรือไปโทษรัฐบาลหรือไปโทษสิ่งแวดล้อมโทษเศรษฐกิจนั่นนี่โนคุณไปฏิบัติตามมักแปดคุณเข้าใจแบบเนี่ยสดาบาล น, นะ ถ้ายังไม่เข้าใจแบบนี้ก็ยังไม่ได้เป็นโซนดาบาลไงเพราะฉะนั้นโซดาบัลเนี่ยเขาก็าจะปฏิบัติตามมักแปดไม่ว่าจะยังไงชายุ่บางที่อาจจะก็ทําก็งานก็ทําทไปใช่ไ่ ะ, ะธรรมหากินก็ทําทไปล็อบบี้เรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเงินเรื่องอะไรก็ทําทไปแต่ว่าทําไปทําไปอยู่ในทางที่มีองค์ประกอบอบาร์เซอร์แปอย่ยางไม่หนีออกจากนี้โอเคนะนี่คื อ, อยาณนวัตถุ สี่สิบสี่าพเจาเนี่เคยพูดสองเรื่องนี้ยาณวัตถุ44และยาณวัตถุ77เนี่ยเต็มตอนเลยมันคือเอาเรื่องของปฏิจจสมุปบาทมาอธิบายย่อยๆยย่อๆไปแต่คราวนี้เราอาธิบายเรื่องปฏิจจสมุปบาทมาแล้วการอาธิบายเรื่องอยาณวัตถุ44และ77มันจึงจะไม่ได้ต้องใช้เวลามากสุดท้ายในวันนี้ประเด็นเรื่องของอยาณวัตถุ77คือแทนที่เราจะคูณ11 ด้วยสีหมายล่ะคราวนี้เราคูณสิบ ด, ด้วยเจดนี่คืออะไรคือเอาธรรมยานและอันวาญยาณที่ว่าเป็นมืนส่สกรูเนี่ยนะเอามาแต่งออกเป็นเจ็ดในยะโดยธรรมยานที่ว่าอริยสัจสีเนี่ยมีความเกิดมีความดับมีทางดำเนินเขามันเนี่ยก็ามาแยกเป็นเหลือแค่2คกู่คือเกิดและดับเพราะมีความเกิดเป็นปัจจัยจึงมีความแก่ความตาย ถ้าความเกิดไม่มีความแก่ความตายก็ไม่มีคือเกิดระดับนี่อยานในแต่ละอย่างแต่ละอย่างสองอย่างนะ น, นะเอาข้อที่หนึ่งและ2มาเป็นอดีตมันก็เป็น3และ4เอาข้อที่หนึ่งและ2มาเป็นอนาคตมันก็เป็น5และ6ส่วนในข้อที่7นั่นคือธรรมทิติยานธรรมทิติยานคืออะไรก็คือยานที่เป็นไปตามหลักของปฏิจจสมปาท แต่ละกรณีแต่ละกรณีคือความที่เรารู้ถึงเหตุและความดับตามหลักการของสิบกู้นั่นแหละแต่ละกู้แต่ละกู้นั่นะเรียกว่าธรรมทิตยานโอเคนะแม้ธรรมทิตยานเนี่ยมันก็มีความสิ้นไปเสื่อมไปจาง ก, กลายไปได้เป็นธรรมดาหมายถึงไงเนี่ยหมายถึงว่าปัญญานี่มันก็เกิดได้ดับได้ไงปัญญาเนี่ยมีความเสื่อมได้สิ้นไปได้ดับไปได้เป็นธรรมดา เจ็ดอย่างนะเจ็ดอย่างนี้รวมกันเข้าไปใช้ในแต่ละคู่แต่ละคู่11คู่ก็จึงกลายอมาเป็น77็ดเจ็ดไงเนอะไรก็คือว่าเอาตัวแปลที่เป็น7อย่างตามลักษณะการอธิบายท่านอยากจะอธิบายอย่างนี้ให้เกิดความเข้าใจในในยักของอดีตอนาคตแล้วก็ตัวยานเองด้วยจึงได้ออกมาเป็น7อย่าง ในทั้งสิบเอ็ดอาการอย่างนี้ถ้าพูล้วมันก็คือเหมือนอยานาวัตถุ44นั่นแหละแต่มาอธิบายในอีกในยัดหนึ่งซึ่งยางนาวัตถุ44จุดที่สําคัญนั้นก็คือยานในธรรมหรือธรรมญานแล้วก็ยานในการรู้ตามหรืออันวิยายานรวมกันแล้วจะเรียกว่าเป็นธรรมทิติยานก็ได้ทั้งหมดจะ44หรือ77เป็นตัวเปิด กุญแจที่จะไปสู่ประตูแห่งนิพพานยืนจอดอยู่ที่ประตูแห่งนิพพานแล้วหมายถึงเป็นโซดาบันในขั้นผลแล้วทุกฟังเป็นโซดาบันในขั้นผลแล้วพร้อมที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้าเป็นผู้เข้าสู่กระแสมีอันที่จะไม่ตกต่าเป็นธรรมดาเพระเาะฉะนั้นในเอพิส od นี้ทุกู้ฟังเราจะได้เรียนรู้ถึงว่า ความเข้าใจกับการอธิบายเป็นตลวอย่างกันนะจิตใจของคนที่เป็นโซดาบันมีความเข้าใจในเรื่องธรรม ะ, ระเกิปฏิจจสมุปบาทแต่ถ้าถามาเรื่องนี้ก็อาจจะตอบไม่ได้ในความที่ว่าเขากําหนดบทเพียนชนะไม่เป็นหรือจะรู้เพียงเป็นบางคู่บางคู่อาจจะไม่ได้รู้ครบจบหมดทุกคู่ก็เป็นไปได้ บทเปลี่ยนชนะที่จะอธิบายอาจจะอธิบายได้เป็นบางส่วนไม่ได้หมดแต่ความเข้าใจเนี่มีแน่นอนมีธรรมญาณแน่นอนมีธรมติติญานแน่นอนมีอันวิญญาณแน่นอนซึ่งอยู่ในชีวิตประจำวันของเราท่าผู้ฟังไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวเลยคุณขับรถคุณเดินทางคุณคุยกับผู้คนคุณทํางานคุณอยู่บ้านเฉยเฉยมีปฏิจจสมุปบาทอยู่ในนี้หมดอยู่ในนี้หมด สามารถที่จะสอดแทรกมรคคือองค์ประกอบ8ดอย่างนี้ลงไปได้หมดเพราะมรค ก, ก็คือสีสมาธิปัญญาอยู่ในคําพูดอยู่ในทางกายอยู่ในทางใจของเรานี่มันแทรกซึมไปหมดมันมนาไปปฏิบัติได้หมดเพราะฉะนั้นเวลาเราศึกษาทําความเข้าใจเรื่องนี้ต้องวังเราค่อยๆแกะไปค่อยๆทําความเข้าใจไปความลึกซึ้งลึกล้านี้จะทําให้เกิดภาวนามยปัญญาได้เนี่ยเอง และถ้าท่านมฟังมีข้อสงสัยเสนอแน่จุดใดที่จะสอบถามกับพระพเจ้านะยินดีจะตอบให้โดยส่งเป็นจดหมายหรือปรยัยสัญญบัตรมาได้ ท, ที่ที่ทำการของมูลนิธิมูล น, นิธิปัญญาภาวนาตั้งอยู่เลขที่431ท20ถนนประชาราชสาย2 431ท20ถนนประชาราชสาย2 บางซื่อกรุงเทพ1นึ0งบางซื่อกรุงเทพ1นึ0งหรือว่าที่เว็บไซต์ก็ไดานดังหวังเว็บไซต์ปัญญา o r g e a n y a o r g หรือทาง Facebook Fanpage YouTube Channel ก็สามารถที่จะโพสต์คําถาม direct message inbox ต่างๆมากันได้ในช่วงของใต้ร่มบริบทนั้นจะมาพบกับ ทำบุฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตีหถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าเครือข่ายกองกรมประสันสัมพันธ์ในช่วงเวลาต่างๆ ท, ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบ팟แคสต์หรือตามโซเชียลมีเดียมี Facebook Fanpage แล้วก็ t u b e บช anel ด้วยรายการนี้จัดโดยมูนิธิปัญญาปานาซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาไปบูญอี่ปุณโญ เป็นผู้ดิเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จเจริญปกร